ท่านว่าปีจำพรรษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปิติยินดีอย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปคนละทิศละทางเมื่อศพโอกาสวาสนาช่วยได้จำพรรษากับท่านจริงๆในพรรษานั้นจึงดีใจมากแล้วเร่งความเพียรใหญ่ แค่ไม่ได้หลับนอนบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างสวัยของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อนทำให้เพลิดเพลินในธรรมะจนสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทาข้อวัดอุปถากท่านอาจารย์มั่น และขนบริการท่านลงมาที่ฉันพอท่านออกจากที่ภาวนาตาท่านจับจ้องมองดูท่านอาจารย์องค์นี้จนผิดสังเกตท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนทำอะไรผิดไปหรืออย่างไรจักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่าท่านขาวนี่ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวัยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิ จึงสมกับผู้มาสแสวงธรรมที่นี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างสวัยอยู่ที่ไหนละท่านสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสรรั่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำสักถามเช่นนั้นแต่ก่อนธรรมะไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแหละธรรมะท่านจงทราบเสแต่ บ, บัดนี้เป็นต้นไป ธรรมะอยู่ที่ใจนั่นแหลต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแหลคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมะและฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแหลจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกการพ้นทุกต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพ้นอย่าลูกคลำให้เสียเวลา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 ก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูกนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับไม่มีเสื่อมถอยเลยท่านอาจารย์มั่นก็จีใจเราอยู่เสมอเผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดุเร็วยิ่งกว่าตะกอนการที่ท่านช่วยจีช่วยเตือนเรื่อยมานั้นความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมะให้เรา กลัวจะเสื่อมไปเสียนับแต่นั้นมาก็ได้จำพรรษากับท่านเรื่อยมาพอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวบำเพ็ญในที่ต่างๆที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียรท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่งโดยลาพังท่านไม่ชอบไปพระติดตามต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัยเมื่อเกิดข้อข้องใจคอยไปเรียนถามเพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆไป ความเพียนทางใจท่านอาจารย์องค์นี้นับวันเจริญก้าวหน้าสติปัญญาค่อยแตกขแขนงออกไปโดยสม่ำเสมอจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจอิริยาบถต่างต่างเป็นอยู่ด้วยความเพียรมีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสองในการประกอบความเพียรจิตใจรู้สึกอจหารชาญชัยไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพ้นทุกไม่สงสยัยแม้ยังไม่หลุดพ้น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 อวิชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติการที่เข้าสุขหมดการงอกอีกต่อไปการพิจารณาจิตก็มายุติการที่เอาวิชาดับกลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับเข้าสุขจิตหมดการก่อากาเนิดเกิดในภพต่างๆอย่างประจักษ์ใจสิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนในกระท่อมกลางเขา มีชาวป่าเป็นผู้อุปถากดูแลขณะที่จิตผ่านดงน้ำป่ากิเลสวัดไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตลอดสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอาวิชชาขึ้นสู่ธรรมะอัศจรรย์ถึงวิมุติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุไทยช่างเป็นเลิก ง, งามยามวิเศษเอาเสียจริงๆ